Yeah. <laughs> ทำลับได้หรือไม่ให้อยู่แค่คุณกับผมอย่าให้ได้อยู่ที่ใครที่ไหนความลับหนึ่งที่เก็บไว้ในใจคือคำว่าผมรักคุณเป็นต่อวันที่ผมได้พบวันที่ผมได้เห็นหน้าสายตาและหัวใจเต็คุณ วันที่ผมได้พบวันที่ผมได้เห็นหน้าสายตาและหัวใจจากที่คุณตั้งแต่นั้นผมก็ได้รู้ชีวิตผมก็ได้รู้ว่าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ค, คือคุณคือคุณนั่นเองตลอดมาที่ตัวผมแอนเฝ้าไฝหาเมื่อมอง Oh. oh.